หลวงพ่อก็ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกามาถึงต้นเดือนธันวาไม่ค่อยได้อยู่วัดกับพลูกพหลานศรัทธา ญ, ญาติโยมเพราะเป็นห่วงในองค์หลวงตาท่านไม่ฉันตั้งแต่วันที่ท่านไม่ลงศาลาตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤศจิกาห้าสามจนถึงวันนี้ท่านก็ยังไม่ได้ลงวันนี้เป็นวันที่เจ็ดธันวาห้าสาม เมื่อวานวันที่หกพรหลวงพ่อฉันเป็นวันพระด้วยตามปกติวันพระหลวงพ่อจะไม่หนีจากวัดจะอยู่วัดตลอดแล้วก็มีการตอนเช้าฉันเจ็ดอุโบสถตอนบ่ายตอนเย็นก็จะมีการไหว้พระสวดมนต์พร้อมกับหมู่พระสงฆ์หมู่พกเพื่อนศรัทธาญาติโยมนั้นคือเป็นประเพณีแต่เมื่อวานลงอุโบสถแต่เช้ามืดเพราะมีการนัดกับคณะแพทย์ หลายๆคณะที่จะเข้ามาดูแลองคหลวงตาหลวงพ่อก็ได้นําคณะสงฆ์ถ้าจะว่าไปแล้วอาจจะอุปโลกตัวเองขึ้นว่าอาจจะเป็นลูกแต่ไม่ใช่ใหญ่จริงแต่ก็ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างเป็นลูกคนคนโตว่างั้นท่านไม่ต้องดูต้องแลต้องรับผิดชอบในเรื่องของการเจ็บป่วยของพ่อแม่ในครอบครัวถ้าหลวงพ่อไม่เข้าไปแบบ หลวงปู่ลีหลวงปู่บุญมีที่เป็นพี่ชายใหญ่ท่านก็ไม่รู้จะพูดยังไงท่านก็ไม่พูดเลยแล้วท่านเองหลวงพ่อเองก็เป็นผู้ประสานก็เป็นผู้นะเป็นผู้นัดคณะแพทย์จากศิริราชเมื่อวานนก็เลยได้ออกไปฉันจังหารเสร็จประมาณสักเก้าสิบโมงพอนัดบ่ายสองโมงหลพ่อก็ได้รีบออกไปไปก็นั่งแป๊บเดียวคณะแพทย์ก็มาพอพอดี ก็มีทั้งแต่ว่าศีนครินมาก่อนแล้วแต่โรงพยาบาลสูรอุรก็มาก่อนกรุงเทพลงจากเครื่องก็เข้ามาก็ได้ประชุมหารือกันเป็นเฉพาะแพทย์หนอวานรู้สึกว่าได้ข้อสรุปอย่างสวยงามดีมากคือคณะแพทย์สิทธิราชก็ฟ้าหญิงทนกระหม่อมองเล็กท่านให้อาจารย์หมอสมหวังแล้วก็ อาจารย์หมอนิพนธ์อาจารย์หมอสุชายอาจารย์หมอสถาพรล้นล้วจะเป็นศาสตร า, าจารย์แต่ละขแขนงขแขนงมาเมื่อวานท่านตั้งให้อาจารย์สมหวังที่เป็นนายแพทย์ใหญ่เป็นประธานมาดูแลองค์หลวงตาในแพทย์ใหญ่นั่ก็คือท่านเป็นผู้ชำนาญเกี่ยวกับการติดเชื้อทุกอย่างมาเมื่อวา น, านก็มานั่งแล้วก็คุย สนทนากันผลข้อสรุปก็คือให้อาจารย์สมหวังได้รับมาจากทุนกระหม่อม้าหญิงองค์เล็กแต่งตั้งคณะแพทย์ที่ดูแลองค์หลวงตาขึ้นมาแล้วใครจะเป็นหัวหน้าหลวงพ่อนยชอบแต่งตั้งหัวหน้าอยู่แล้วงั้นก็เลยเสนอเลยอาตมาภาพขอเสนอหัวหน้าสองคือพออโรงพยาบาลสูนุรอ ท่านหนึ่งแล้วก็ผ อ, อโรงพยาบาลศรีนครินอีกท่านหนึ่งให้เป็นหัวหน้าสองเพราะว่าทางหัวหน้าศูนย์อุดรเนี่ยอาจจะขาดตกบกพร่องในเครื่องไม้เครื่องมือบางสิ่งบางอย่างก็จะต้องได้อาศัยเครื่องไม้เครื่องมือหรือวยุกยาทางศรีนครินที่พร้อมกว่าเพราะฉนั้นอยากจะให้ทั้งสองท่านเป็นหัวหน้าสองปรึกษาปรัรบกัน แต่ส่วนลูกน้องที่เป็นลูกงานเน่ยก็สุดแท้แต่สองท่านเนี่ยจะเห็นสมควรยังไงใหหลวงพ่อเสนอไปลักษณะนี้นั่นก็เห็นด้วยเห็นด้วยอ้าวเอาเอ า, เอาอย่างนั้นนะเราแต่งตั้งใครเสนอใครขึ้นมาแล้วก็บอกผมผมจะได้ทุนประมมฟ้าหญิงเป็นผู้แต่งตั้งคณะแพทย์รักษาองค์ดวงตาเป็นเป็นหลายลัก์อักษรเลยลักษณะอย่างนั้นอนะ เดียว่าชัดเจนวา ง, งั้นเมื่อวานผลเอกชลก็เวลาประชุมเสร็จแล้วก็ให้ฝ่ายพระสงฆ์ร่วมฟังด้วยก็จะดีเพื่อจะได้ให้เป็นแนวความคิดแนวเดียวกันที่รักษาองค์หลวงตาผลเอกชลก็ได้ขึ้นไปพอประชุมเสร็จก็ให้ผ อ, อโรงพยาบาลศูนย์อุดรสรุปว่าวันนี้ที่พวกเราประชุมกันเนี่ยได้อะไรบ้างได้ข้อสรุปอะไรบ้าง ท่านก็โอ้ท่านก็สรุปได้ดีาวานสรุปได้มาเป็นน้ําเป็นเนื้อเหมือนกันเป็นชักชักชัก ช, กชกที่ประจบอ้าวเป็นที่พอใจโดยการทุกคนหลวงพ่อฟังแล้วก็เออพอใจในเรื่องการประชุมแล้วก็คือการรักษาองค์ลงต่างระยะสั้นที่ผ่านมาแล้วเป็นยังไงระยะกลางกําลังจะเริ่มเข้าไปเนี่ยจะมีการประชุมหารือทุกอาทิตย์เดี๋ยวนี้มันทุกวัน ต้องโรงพยาบาลศูนย์กับขอนแก่นประชุมกันทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าก่าแปดนาฬิกาแปดนาฬิกาสามสิบตอนเย็นกับสิบกนาฬิกาจากนั้นก็เข้าไป ต, วตรวจลุงตาแล้วก็ปุ่งในเช้าก่อนเอาอีกใช้ยาอะไรรู้สึกว่าหมอทั้งหมอทั้งพยาบาลให้ความสำคัญในการดูแลรักษาลงตายลุงพ่อเปเด็ดตำหนิเว่ะดียิ่งเลยเพราะงั้นเถอะหาได้ยากเลยเที่ท่าน ให้ความเคารพให้ความสนใจให้ความใส่ใจในการดูแลองค์หลวงตาให้เข้าไาทำทุกอย่างเพื่อหลวงตาเพื่อทําและกระทำด้วยความเคารพรักเคารพอย่างเทิดทูนอย่างสูงสุดอีกต่างหากคือออกมาจากจิตใจพอทําเสร็จแล้วก็ยกพ่มดอกไม้เพื่อคารวะองค์หลวงตาเมื่อเด็เราได้แทงเข็มท่านได้ทําอะไรท่านในตรวจอะไรท่านที่มัน นับ ก, นะกลับคารวะหลวงตาเจ้าก่อนพวงมาลาเสร็จแล้วก็กลับคารวะในจิตใจเลยต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับผู้ที่ประจําอยู่ที่นั่นก็มีอย่างน้อยก็หมอเปลี่ยนกันอยู่ตลอดพยาบาลก็สองพยาบาลชายนะเฝ้าอยู่ตลอดแล้วก็พร้อมกับพระตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยงั้นอันนี้อันนี้ก็คือการดูแลองค์หลวงตา สมเหมาะสมอย่างยิ่งที่องค์หลวงตาเป็นบุพการีทางด้านจิตใจของพวกเราที่ท่านให้ธรรมะทำคำสอนมากมายจากนั้นถึงเป็นแนวท่านสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกสงเคราะห์อนุเคราะห์โรงพยาบาลมากมายเครื่องไม้เครื่องมือเป็นกี่ร้อยกี่พันอย่างท่านเราเอามาคิดเอามา เอามาทาพิมพ์ใส่กระดาษแล้วพิมพ์ใส่เล่มนะึกอาจจะเหลือเล่มบักใหญ่บเบ้อบปล่าเหมือนนั้นที่ลงตาสงเคราะห์อนุเคราะห์ที่ไหนบ้างนี่แหละมากมายถึงขนาดนั้นแล้วก็เป็นชิ้นโบแดงจริงๆที่ท่านสงเคราะห์ประเทศไทยก็คือทองคําเข้าคลังหลวงหมื่นกว่ากิโลหมืนสองพันกว่ า, ก, วากิโลเป็นเงินเท่าไหร่คิดเป็นเงินออกมานะหลายหมื่นนะเป็นหมื่นเกือบสองเดี๋ยทุกวันนะี้อาจจะเกิด จะเข้าสองหมื่นล้านกันมั้งแล้วก็เป็นหลักขนาดไหนเนีเงินอยู่ในคลังเป็นหมื่นล้านประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าเป็นเงินเข้ามาหมื่นกี่แสนล้านอันนี้เป็นหลักเป็นหลักแท้ๆของประเทศคือทองคําทองคำเนี่ ย, ท, ยที่ลงตาหาให้ลงตามอบให้ี่ยกับพวก เ, าวกเราพนะลงตาเป็นหัวหน้าทีมที่หาเงินหาทองเข้าคลังหลวง ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเป็นประวัติศาสตร์อย่างยอดยิ่งของเมืองไทยทีเดียวคิดดูให้ดีก็แล้วกันใครเป็นผู้นำเอาทองคําเข้าคลังหลวงเป็นผู้เสียสละแล้วก็เอาของเรวเงินหรืออะไรก็ตามเข้าสู่ประเทศชาติเข้าสู่กระเป๋าของประเทศชาติได้มากขนาดนี้มีไหมพวกเรานึกนึกดูในประวัติศาสตร์ก็ไม่น่าจะมีนะ แต่ว่าผู้ที่ทําคุณประโยชน์อย่างอื่นนั้นก็กระมากมายที่ผ่านๆมาเป็นประวัติศาสตร์แต่ก็อย่างว่าเนะเมืองไทยของเราทุกวันนี้ไม่เรียนประวัติศาสตร์กันนะในโรงเรียนแต่ตามไม่จริงทําไมคนไทยไม่มีประวัติศาสตร์เกิดมาเพราะฉะนั้นเกิดมาฆ่าเก่งคนเดียวฆ่าแน่คนเดียวฆ่าเป็นฮีโร่คนเดียวฆ่าจะเตะจะทิพย์ยังไงก็ได้เพราะไม่มีประวัติหรอกประวัติของฆ่าไม่มี พนัก่าจะทําอะไรก็ทําไม่มีประวัติศาสตร์มันไม่ดีนะคนเราต้องมีประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเนี่ที่ยืนยงมาได้ทุกวันนี้เพราะประวัติศาสตร์พวกเราคิดตัวหลับตาคิดตัวให้ดีกันแล้วกันประวัติศาสตร์มีคุณค่าอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไรประวัติศาสตร์ทั้งนั้นนะพระอรหันตสาวกเป็นมาอย่างไรก็เป็นประวัติศาสตร์อุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาล จนถึงมายุคสมัยนี้เป็นมาอย่างไรนนี้เป็นประวัติศาสตร์พญาอโศกธรรมโศกราชที่เป็นผู้สถาปนาพระพุทธศาสนาเมือ่อพุทธเจ้าปริยิพานสามร้อปีอตน้ตนๆเป็นผู้พยุงพระพุทธศาสนาใหญ่ที่สุดที่พวกเราไปเห็นในประเทศอินเดียที่ทาวรวัตถุที่พยาธรรมโศกราชพญาอโศกเป็นผู้ ทำขึ้นมาขนาดไหนอันนี้ก็คือประวัติศาสตร์ของคนดีเจนถึงมาถึงมาถึงประเทศชาติบ้านเมืองของเรามันต้องมีประวัติศาสตร์เพราะนั้นเรื่องประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญจะต้องจารึกเอาไว้จารึกในใจของเราเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกนันนะสรุปแล้วก็คือเป็นบุพการี ถ้าข้าพเจ้าเกิดมาวันนี้เป็นวันเดียวข้าไม่คิดถึงเมื่อวานนี้คนนั้นก็เหมือนกับคนไม่ไม่ครบเกิดมาแล้วไม่ครบไม่ครบไม่บริบูรณ์ว่างั้นเ อ, อไม่เต็มเปี่ยมถ้าคนเราเนี่ยคิดถึงข้าพเจ้าเกิดมาถึงบัดนี้ข้าพเจ้าเกิดมาจากใครข้าพเจ้าเกิดมาในวันนี้วันเดียวใช่ไหมถ้าคิดว่าเกิดมาในวันนี้วันเดียวเราก็ไม่เห็นคุณค่าอะไรทั้งหมด อันไหนที่มันจะดีในใจของเราเราก็จะต้องทำสิ่งนั้นเบียดเบียนใครเดือดตอนใครข้าไม่ได้สนเพราะเหตุไรเพราะว่าข้ามีวันเดียวเท่านี้แต่ถ้าว่าเราเกิดมาจากไหนเกิดมาจากพ่อจากแม่นี่แหละเราต้องคิดดูเลยเราจะทดแทนพระคุณของพ่อแม่อย่างไรที่ท่านเลี้ยงดูเรามาและเรามองไม่ออกอีกการเลี้ยงดูเรามานั้น ท่านเป็นยังไงเราก็ต้องดูเด็กเด็กเล็กที่เขาเกิดมาบางคนอาจจะมีลูกมีหลานทุกคนก็ต้องเห็นว่าเด็กเกิดมาอย่างไรพ่อแม่เขาดูแลลูกของเขาอย่างไรพ่อแม่ของเราก็ดูแลเราไม่แพ้เด็กคนนั้นนั้นนี่แหละอันนี้เราก็ต้องระลึกถึงพระคุณโอ้ในช่วงที่พ่อแม่ดูแลเราเนี่จะทุกข์ขนาดไหนประครบประงม กลางค่ำกลางคืนเวลาหนาวเวลาร้อนเวลาหนา ว, ท, ท, าวานาท่านทำยังไงเวลาร้อนเราท่านทำยังไงเวลาเราร้องไห้เราเหิวกระหายท่านทำยังไงอันนี้ก็คือต้องระลึกถึงพระคุณของท่านเออเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เราควรจะทำตนอย่างไรกับพระคุณของพ่อแม่เราจะทดแทนพระคุณท่านอย่างไรในเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ แต่เมื่อท่านร่วงลับไปแล้วในหลักของพระพุทธศาสนาท่านว่าเมื่อท่านร่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านคือไม่ให้ปล่อยปาดละเลย อ, อีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยเราได้รับมาจากพ่อจากแม่เพราะนั้นเวลาทําคุณงามความดีอะไรเดีไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติทําคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อชุมชน ต่อพระพุทธศาสนาต่อตนเองเป็นการชำระจิตใจของตนเองคือกิเลสเผ่านั่งภาวนาละกิเลสราคะาโทสะโมหันเราก็นอมจิตระลึกถึงบุญกุศลที่เกิดจากการทําคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงขอขอให้เป็นเครื่องเครือกุลหนุนขอให้จิตใจของพ่อแม่หรือบิดามารดาของข้าพเจ้าที่ให้กําเนิดเป็นผู้มีพระคุณสําหรับข้าพเจ้าขอให้ท่านมีความสุข ท่านดวงวิญญาณของท่านตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ขอให้มารับสนบุบส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําหรือไม่ต้องมารับก็ได้ข้าพเจ้าบุญกุศลของขา้ า, ขาพเจ้าที่ข้าพเจ้าทําแล้วขอให้ไปเกือ้อกูลหนุนดวงวิญญาณของพ่อแม่ของข้าพเจ้าให้มีความสุขอย่าได้มีความทุกข์มีความสุขในทิ่งไหนก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนี้ อันนี้ก็คือถึงพ่อแม่จะล่วงลับดับพันตายไปแล้วก็ตามเราก็ยังระลึกถึงพระคุณที่ท่านได้ทำให้แก่เราแต่เมื่อขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องเข้าไปดูแลเราจะช่วยเหลือสิ่งไหนได้กับพ่อแม่ของเราท่านลาบากอย่างไรเรื่องบริโภคผ้านุ่งหม่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บหรือที่พักพาอาศัย ที่พ่อแม่ของเรายัางขาดตกบกพร่องอยู่สิ่งไหนที่พ่อแม่ขาดตกบกพร่องอันนั้นก็คือเป็นหน้าที่ของลูกๆทุกคนจะต้องช่วยกันเพิ่มเติมให้เต็มตื้นเพื่อให้เต็มขึ้นให้บริบูรณ์ขึ้นเพอให้ท่านได้รับไปความร่มเย็นผาสุขแต่ถ้าว่าท่านเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเราเราทาไม่ถูกออกนอกหลู่นอกทางทำให้ท่านเป็นทุกข์ท่านบ่นหาและวว่าท่านเป็นทุกข์กับเรา ในสิ่งไหนที่ท่านวิตกกังวลในการกระทำของเราเราก็ไม่ควรจะกระทำจึงนั้นให้พ่อแม่ทุกใจกับเราอันนี้แหละคือเราทดแทนพระคุณทางด้านจิตใจไม่ใช่ทดแทนแต่ท่งกายอย่างเดียวนะทางร่างกายบริบูรณ์ทุกอย่างข่าวน้ำโภชนะอาหารยาแก่โรคภัยไข้เจ็บสร้างบ้านพ่อแม่ให้หรูหราแต่ตัวเองสมัมมาเลเทเมากินเหล้าเมายาสุลานารี พาชีกีลาบัตรที่พ่อแม่ไม่ชอบนั่นแหละขนมาให้พ่อแม่จนพ่อแม่รับไม่หวัดไม่ไหวพ่อแม่ตอมอกตอมใจเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเราอันนั้นแปลว่าให้แต่ร่างกายแต่ส่วนจิตใจของพ่อแม่นั้นเราไม่ได้ทนุถนอมท่านเลยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันเพราะ้นเราต้องทนุถนอมทั้งจิตใจของท่านด้วยอย่าใหทา้ท่านเป็นทุกข์ใจกับเรา เราต้องเป็นคนดีต้องเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมประเทศชาติเราทําไปแล้วนี่พ่อแม่ภาคภูมิใจเออไปที่ไหนพูดแต่ลูกตัวเองลูกของข้าเนี่เรียนเก่งนะลูกของข้าเนี่ ย, เ, ย, เ, นะ เ, ยเป็นคนดีนะลูกของข้ามันขยันนะลูกของข้าแต่กรอข้าทุกจนแต่บัดนี้แต่ลูกคนนี้มาข้อครัวของข้าลืมตาอ้าปากไรเจริญเทียมเท่ากับพี่น้องทุกขู่ทุกคน คือพ่อแม่ไปนสถานที่ใดให้ท่านภาคภูมิใจให้ท่านคุยคุยได้เพรานะก็ลูกคนนี้ลูกสาวคนนี้ลูกชายคนนี้ของข้าดีๆจริงจริงอันนั้นเป็ว่าให้คุณค่าทั้งด้านจิตใจแต่ถึงอย่างไงถ้าทําไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีเราอย่าทําเราต้องมองดูอีกให้มองดูศีลธรรมอีกนะถึงจะพ่อแม่จะภาคภูมิใจขนาดไหนก็ตามอถ้าเราไปขาย ไอ้พวกคันซายาฟินเฮโรอีนล่ํารวยมาพ่อแม่ภาคภูมิใจแต่ไปทําลายคนอื่นเขาอันนี้เราก็ไม่ไม่น่าจะทําเพราะเหตุไรอีกสักวันหนึ่งในเมื่อเราผิดพังเข้ามากันนะจับข้อคุกเขาตารางโทษประหารยิ่งทําให้พ่อแม่ทุกใจอีกต่างหากเพราะอะไรเพราะเราเองไปทําผิดและเอาผลผลความผิดเอามาให้พ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่รู้จักว่าเราทําอะไรถ้าว่าเมื่อเราทําไปแล้วนั่นแหละ มันเป็นผลผิดมาโทษหนักเข้ามาพ่อแม่ยิ่งนี่ยิ่งทุกหนักเข้าไปอีกเพราะนั้นสิ่งไหนที่มันดีมันดีมันชั่วสิ่งดีสิ่งดีสิ่งไม่ดีเราพวกเราได้รับการศึกษาขนาดนี้แล้วไม่รู้เหรอให้ถามหน่อยพวกเราให้ถามใจตนเองเราได้รับการศึกษาทั้งศีลธรรมทั้งจริยธรรมทั้งได้เรียนหนังสือปริญญาตรีโทเอก ขนาดนี้เราไม่รู้หรือว่าผิดหรือถูกควรไม่ควรอย่างไรเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรเราแยกแก้ไม่ออกขนาดนั้นเฉลอหรือว่าใจของเราฝืนมันไม่ได้ทั้งที่รู้รู้ก็อยากจะทําเพราะอะไดเพราะฝืนมันไม่ได้ถ้าทําอย่างนั้นก็แสดงว่าเราเป็นบ่อยของกิเลสอย่างกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะเราเป็นบ่อยของมันเราเป็น ผู้ยอมแพ้ถ้าเราเป็นผู้ฝืนมันนะถ้ามันชั่วแล้วข้าจะไม่ทำข้าจะไม่พูดข้าจะไม่คิดอีกต่างหากถ้าสิ่งไหนที่มันชั่วข้าจะทำาเ่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องที่เป็นธรรมเท่านั้นนี่แหละถ้าพวกเราคิดได้อย่างนี้ฝืนได้อย่างนี้นะจะเป็นผู้เจริญงอกเงยทางโลกและทางธรรมทางโลกก็คือการเป็นอยู่ทุกอย่าง ก็จะเป็นที่ยอมรับแต่ส่วนจิตใจของเราก็มีแต่ความผาสุกในจิตใจนึกขึ้นมาดูตนเองแล้วก็มีแต่ความกระยิ่มยิ้มย่องในจิตในใจนะเพราะอะไรเพราะเราทําดีมาตลอดอ ย, อย่างหลวงพ่อยกตัวอย่างไม่ยกยกตัวออย่างอื่นไกล่หลงพ่อคิดในใจของหลวงพ่อเองนะแต่ส่วนคนอื่นจะยกยังไงจะจะข่มยังไงแต่สําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่ อ, อเราตั้งแต่เราบวช มาจนถึงบัดนี้สิ่งไหนที่เป็นชั่วช้าเสียหายเราก็ไม่เคยคิดไม่เคยคิดจะทำแล้วก็ไม่เคยทำแล้วก็จะไม่เคยพูดที่ทำให้เรื่องราวเสียหายเดือดร้อนตนและผู้อื่นเข้าไปเจ้าละวังมาตลอดดูแลมาตลอดจนเป็นนิสัยจนเป็นนิสัยกับวันนิสัยเลยคือไม่คิดจะทำเลยเพราะมันเป็นนิสัยเราเหมือนกับเราทานอาหารสมัยก่อนเราก็หิวทานอาหารวันละสามมือ้อ แต่นี่หลวงพ่อฉันทานอาหารมาตั้งแต่สเป็นสมานเณรอายุ1 1 1 2ปีทานมาตลอดทุกวันนี่มันเลยเป็นนิสัยไปเลยมันไม่เคยคิดอยากเลยไม่เคยคิดอยากอาหารตอนบ่ายตอนเย็นพอฉันเสร็จตอนเช้าเราก็จบเพียงแค่นั้นอันนี้หละคือการสร้างคุณงามความดีกถือให้เป็นเป็นนิสัยทำความดีไปตลอดเลยพอทำความดีไปแล้วมันก็ไม่คิดจะทำความชั่วเสียหายสิ่งที่มันเสียหาย เดือดร้อนตนและผู้อื่นมันก็ไม่คิดจะทําเพราะเหตุไรเพราะทำไปแล้วมันก็นเดือดร้อนเพราะฉะนั้นทําไปทําใหม่นี่แหละอยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ใช้ความคิดใช้ปัญญาบางคนก็คงจะว่าเออก็ใช่นะหลวงพ่อเป็นหมาหางด้วนะตัดทางตนเองแล้วจะให้คนอื่นตัดด้วยเหรไม่ใช่นะหลวงพ่อทําแล้วสบายใจนะพวกท่านทั้งหลายทําก็แล้วกันเมือ่อกลงันหลวงพ่อเอากินน้ําแข็งหรือเย็นนะลูกหลานนะ พอกินน้ำแข็งแล้วร่งับนะเย็นสบายนะมีความสุขนะถ้ากินไฟเข้าไปมันร้อนนะหลุกลานนะเดี๋ยวมันไหมท้องนะหลวงพ่อก็จะบอกอย่างนั้นเพราะนั้นให้พวกเราทดลองดูให้ทดลองรักษาศีลดูให้ทดลองภาวนาดูให้ทดลองทําใจให้สบายๆดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รักษาศีลดูแล้วก็ให้รักษาในทำในในคุณธรรมในจิตใจดูทําจิตใจให้สงบดู อย่างที่ลุงพ่อแนะนําสั่งสอนให้ทดลองดูนะแต่ว่าการทดลองไม่ใช่ว่าทดลองเจาะๆแยะนะไม่ใช่ให้ปลูกพักนั่งไปปลูกที้ละต้นสองต้นแล้วก็หยุดไม่ใช่อไปปลูกข้าวนะไปปลูกต้นสองต้นไม่ใช่คือทดลองทําทําให้เต็มที่ปลูกให้เต็มที่ตามหลักวิชาการปลูกให้มากทําให้มากแล้วจะเป็นยังไงนี่ก็เหมือนกันการนั่งสมาธิ การรักษาศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาตามที่หลวงพ่อได้นํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้านํำทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และก็หลวงพ่อได้นําแนวความคิดของหลวงพ่อมาบอกกล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาและจะพวกนั้นก็ให้พวกเราลงมือปฏิบัติดูซิตามที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวเนี่ยนะ นั่งสมาธิยังไงรักษาศีนยังไงต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของเราอย่างไรพวกเราจะได้รับความสงบพรมเย็นเป็นสุขจากนั้นก็โอ้ถ้าว่าเราไม่ได้ทำมาค้าขายหรือไม่ได้ทำอย่างนี้พวกเราคงจะไม่ล่ารวยยัดได้อย่างนี้พวกเราจะภาคภูมิใจเมื่อภายหลังนะถ้าพวกเราปฏิบัติตามศีลตามธรรมถ้าพวกเราฝืนศีลฝืนธรรมแล้วก็ น, นั่นละ่ะมีแต่ความทุก เดือดร้อนพูนวายเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจไปอยู่ในสถานที่ใดทั้งที่อยู่ในห้องแอร์มันร้อนอยู่ในใจนะมันทุกข์อยู่ในใจมันร้อนอยู่ในใจนะมันทุกข์ถึงอยู่ในห้องแอร์มันก็ร้อนอยู่งั้นแต่ถ้าว่าคนมีธรรมอยู่ในใจแล้วถึงจะอยู่ในร่มไม้ป่าดงพงไพ่มันก็มีความสุขในจิตใจจิตใจเย็นสบายมีความสุขมันสุขออกมาจากจิตใจเพราะะฉนั้นให้พวกเราหา ค, ความสุข หาความสุขเขาสู่จิตใจสมาธิเป็นยังไงทำจิตใจให้เย็นให้สบายระงับกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจเขาเย็นสบายมีความสุขตอนนี้ไปรับผ่อนอนุโมทนาให้ผ่อน